พอรู้จากกันยิ่งแทะกลางวันอือก็คว um> ้าข้อมือเทียวึดเทียวยือเร็วพอละจากมือไอ้แข้งเขสอดมากอดเอวแน่ทำไมจึงเร็วเร็วเร็วเร็วจังอะไรจังขนาดนั้นไอเราต่อไม่ท okay. ันระวังอะไรจังขนาดนั้นอาไรจะเป็นขนาดนั้นจังพบปกก็ ว่าฉันชอบเธอและรักแต่เธอเขาเชียวนั้นวุจะขอถ่ายรูปแกไว้ไปแอบแนบนอนฝันแลืว อ, อีกเจ็ดวันข้างหน้าจะมาแต่ กันเพงแคกเลยวันอือปล อ, อกคว้าข้อมือเธอายึดเทอยื้ อ, อ, อ, อือเร็วเพอลากจากมือไอ้แขนก็สอดมากอดเอวแนท่ทําไมจึง เ, เร็วเร็วเร็วเร็วจังอะไรจะขนาดนั้น้เราก็ไม่ทันระวังอะไรจะขนาดนั้นอะไรจะเป็นขนาดนั้นอพอพบก็ชวนแล้วก็เอชมอย่าเพิ่งเจอ ว่าฉันชอบเธอแล้วรักแตเธอเขาเชียวนั้นจะขอถ่ารูปเก็บไว้ไปแอบแฝบนอนฝันและอีกเจ็ดวันข้างหน้าจะมาแต่